เสียงอ่านหนังสือแววเสียงสวรรค์เล่มสองผลงานโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณคำปรารพอาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกและอัตถคถา ละยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติสมาธิวิปัสนามาตั้งแต่สมัยยกอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อมาได้ลาสิกขาออกมาเป็นอุบาสกก็กยังคงศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกและอัทธคถาปฏิบัติสมาธิวิ ป, สวปัสนาอยู่ตลอดเป็นอาจารย์สอนในคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ถวายความรู้ทำประยุกต์ความรู้เรื่องสมาธิวิปัสนาแก่พระนิสิตมหาจุฬา และอบรมสมาธิวิปัสนาแก่ประชาชนผู้สนใจแก่นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ทำวิจัยวัดมหาธาตุทาประจันทร์เป็นเวลาหลายปีทั้งบรรยายธรรมอบรมสมาธิวิปัสนาแก่คณะชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาจุลาลงกรมหาวิทยาลัยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจนักเรียนในร้อยตํารวจโรงเรียนในร้อยตํารวจสพรานและอื่นๆอีกมากมาย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 หนังสือแววเสียงสวรรค์เล่มสองนี้เป็นบทความที่อาจารย์พรรัตนสุวรรณเขียนลงพิมพ์ในหนังสือวิญญาณเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2511ถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5ง2นรรายละเอียดต่างๆนอกจากนี้อาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ชี้แจงไว้แล้วในคำนําเมื่อคราวจัดพิมพ์ครั้งแรก หนังสือแววเสียงสวรร่าเล่มสองนี้ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2,516 จัดพิมพ์ครั้งหลังสุดเป็นครั้งที่หเมื่อพุทธศักราช 2,528 ได้ขาดคราวไปสำนักคนความทางวิญญาณจึงจัดพิมพ์ขึ้นใหม่นับเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่6หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับศึกษาเรื่องหลังจากละโลกนี้ไปแล้วเพื่อประดับความรู้ หรือถ้าไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวก็ควรศึกษาไว้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นสำนักค้นคว้าทางวิญญาณมกราคมพุทธ ศ, ศักราช2539 47สามเสทับสองถนนสำเสนบางลำพูกรุงเทพมหานคร10200โทรศัพท์ ศู2 8 2สอง5สองห